ก็มาพูดมาฟังในสิ่งที่เราควรจะเริ่มต้นในการใช้ชีวิตของเราควรขวยในจิตุละของเพื่อนภิกษุสำเร็แม่ชีภิกษุณีญาติโยมช่วยกัน เพื่อให้เข้าร่องเข้ารอยเข้าลูกเข้าแบบเข้าแผนในการศึกษาปฏิบัติอย่าให้เป็นเรื่องอื่นแม <c oughs> ่เรื่องอื่นก็ถือว่าอ า, อาธิเล็กเล็กน้อยให้เริ่มต้นให้ได้บันเะ ไปถูกต้องเพราะการเริ่มต้นถูกต้องถ้าเริ่มต้นไม่ดีก็เสียเวลาเมื่อกันเราชีวิตเราที่ผ่านมาเราเริ่มต้นมาดีๆมันก็มาถึงที่นี่ได้ถ้าเริ่มต้นไม่ดีก็ไปที่อื่นได้เหมือนกัน เราจึงตั้งต้นให้ได้เหยียบเส้นทางให้ถูกมีสติสำชัญญะมีความเพียรกาลบความเพียรทำทางกายทำทางใจทำไว้ในใจเสมอกับการใช้ชีวิตประจำวันมันจ ะ, จะคุ้นเคยสํนานิชํานาญได้ แล้วก็มีการกระทำม่รูปแบบของการกระทำารี้กว่ากรรมฐานเนี่ยแล้วก็มีอยู่จริงทำได้จริงสิ่งที่ไม่ดีก็ละได้จริงสิ่งที่ดีก็ทำไม่เกิดขึ้นกันนะสิ่งที่ไม่ดีจริงให้มันประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เอาความไม่ดีมาเป็นบทเรียนให้เป็นสิ่งที่ดีเรามีชีวิตยอยู่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเอาสายปัจจัยสี่ปัจจัยที่เราอาศัยอยู่นี้มีคนอื่นช่วยเรา เพื่อ <Workers> ย <intendent> ังประโยชน์ให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายดังทวสวดธรรมปะหังเคยเป็นอดีตลำลึกตั้งแต่ไปสวดเริ่มต้น40ปีอยู่ที่สวนโมกพร้อมกับะอาจย์สัญญาธรรมศัก์ อบรุงพิภากษาอาจารย์พูดทา่าตเป็นครูอาจารย์สอนพวกเร า, าสสพระสงฆ์สวดพระโชดนี้จบอาจารย์ก็แสดงธรรมเรื่องนี้ทันทีส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นให้พระสงฆ์สวดนำไปก่อนจะแสดงธรรมเรื่องใดจัดสรรไว้ื่าพระสงฆ์สวดจบอาจารย์ก็แสดงธรรมในเรื่องนั้ น, น, น ก็กลมคกนกัน <c oughs> ลึกซึ้งแง่หัวใจทันนี้เราไม่มีอาจารย์พุทธาติษาแล้วก็เป็นเพื่อนกันเช่นนี้ช่วยช่วยกันแสดงทำให้ตนเองฟังแสดงทำให้ตนเองฟังได้บทผิดบทถูก หเห็นเอาเองคือปฏิบัติธรรมนี่ถ้าจะเรียนถ้าจะฟังอย่างเดียวในหลักวิชาการเข้าไม่ถึงาศาสนธรรมตามความเป็นจริงปฏิบัติปริยัตเป็นสองปฏิบัติก่อนค่อยเกิดปริยัติทีหลังอจึงเพยียรพยาม แสดงทำลำดับลำนํามีสติมีสัมผัญญะเอามากระทำให้เอามาประกอบให้มันเกิดขึ้นใจในการใช้ชีวิตของเราชีวิตของเราก็ใช้อยู่สิ่งต่างๆที่มันทำให้เราได้ศึกษามีมากมายในตัวเราก็มีนอกตัวเราก็มี กองรู้เกิดขึ้นจากเราประกอบขึ้นม า, ามกองรู้จากสิ่งอื่นยื่นมาให้ก็มีบางทีพระอรหารสมัยก่อนเนะี่ยได้กองรู้จากสิ่งอื่นเห็นธนสูงไหลมาตามแม่น้ำก็บรรลุธรรมได้เห็นใบไม้ร่วงก็ได้บรรลุธรรมได้สโสเพณีเป็นโลก เก็บปวดร้องไห้ตลอดเกินพระสงฆ์นอนอยู่ในป่าก็ยินเสียงร้องไห้เอามาบรรลุทำได้จากสื่อเงินก็มีจากในตัวเราก็มีเห็นความผิดเห็นความถูกเห็นความหลงเห็นความรู้ในตัวเรานอกตัวเราศึกษาทั้งนั้น ที่ว่านักศึกษาอย่าปล่อยให้ความหลงฟรีให้ความรู้ฟรีให้ความทุกข์ฟรีฟรีศึกษาเรื่องนั่นแหละยิ่งเราก็มีหน้าที่โดยตรงปฏิบัติจเจริญสติการบความเพียรประคองตั้งจิตไว้ให้เราทำความดีอยู่มันก็เกิดความ หลงขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นลาบ ป, ะ, ปะเปเซอรได้ถ้าใช่เป็นอะ่ะจู่เฉยๆสิ่งก็มีสิ่งมาบอกเรามาทดลองกับเรารอนั้นว่าจู่เฉยๆสิ้นวิ่งมาหาป่าก็หลนมาโซ่จู่เฉยๆก็ได้บทเรียนได้ ก็จะมีสติเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเอาไว้ถ้าลบเพลินเพียรตั้งไว้เหมือนเรามีดวงตาลื่นเอาไว้อะไรมาก็จะได้เห็นตาภายนอกตาภายในตาเนื้อตาน้ํามตาลอบตาหน้าโลบเนี่ยถ้ามีหน้ารอบตาในเนี่ย เป็นพระลหันได้ผู้มีสติเป็นหน้าโอกเหมือนเป็นพระขี่นาศกพระขี่นาศกคือพระลหันขี่นาศกใีสติเป็นหน้าโลกเนี่ยจะให้มีโอกาส ง น, นเราดูแลทรัพย์สมบัติของเราก็ของสมบัตินั่นได้ของกายของใจในกายก็จะเกิดความบริสุทธิ์ในใจก็เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาใช้งานใช้การได้มีสติไม่จมชัญญะเนี่ย การลบความเพียรการประลบความเพียร เ, ยนเนี่ยให้ปิติสุขละอย่าตึงอย่าเทียดอยเพ่งอย่าช่องถ้าจ่องเกินไปมันจะปิดบังบางทีสิ่งที่ปิดบังก็ทําให้เราไม่เห็นประมัดไม่เห็นของจริงเช่นทุกข์อิริยบทบังทุกข์ได้ เราจึงมาท่ากับทุกอย่างนั่งถ้านั่งถ้าเดินเนี่ยีบทนี่มันบังทุกถ้าเราเอาดอีบทมาใช่ให้ดีบทใช่เกินไปก็ไม่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงเช่น เห็นมันปวดเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวมันปวดมันร้อนมันหนาวมันทุกข์เป็นมันสุกมันเกิดจากอริบทต่างๆก็ให้อย่าให้อริบทเนี่ยพาไปเช่นเรานั่งอยู่มันปวดมันเมื่อยที่เห็นมันปวดมันเมื่อยถ้ามันปวดมันเมื่อยเวลาใดโอ้ดิบทบังไว้เปลี่ยนอริบทมันก็ไม่เห็นแจ้ง เห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันหิวอยให้เป็นผู้ร้อนผู้หนาวผู้หิวเรียกว่าได้ศึกษาได้บทเรียนจากทุกทื่มันจะเกิดทุกเกิดโทษก็เลยเห็นรอบรอบเรียกว่าหน้าโลกมาทางใดก็เห็นอย่า ก, กบเกือน ว ก, กวามวัเช่นความหลงที่เกิดจากความคิดเพ่งเกินไปบริกรมรมเข้าไปมันไม่เห็นความคิดความคิดไม่เกิดเป็นสมาธิเป็นสมาถะเหมือนกับศิลาก็เห็นทับย่าอไวา้ไม่เห็นความหลงที่เกิดจากความคิดไม่เห็นความคิดเวลาออกจากสมาธิเวลาออกจาก าการกบเกวนแล้วมันไม่เป็นของจริงมันเกิดขึ้นมาได้ในอี้บดอื่นๆบางทีเราทำสมาธิอาศัยอีโบดนั่งขบมาไววบริกรรมขบมาไว้พุทโธพุทโธตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออก เวลาเดินก็ทช้ย่างยยหนอยกส้นหนอยกหนอใช้ย่างยยหนอลงหนอถูกหนอเหยียบหนอกดหนอเอาให้ทีเหยียบอย่านั้นอันไม่เห็นมันเป็นสมถะแล้วก็ดีเราไม่ดื้อขนาดนั้นเราออยง่ายง่ายงานาไหนเคยมันมาให้มันเกิดขึ้นมาเรามีความลู้มีตาอยู่ มาให้มันมาเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเหมือนคนหนึ่งเขาไปข้างูจงอางแต่มาเล่าให้ฟังเขาก็ไม่รู้ว่ามีโงูจงอางทีนั่นแต่เขารู้เขาก็ไม่ไปไอ้เย็นคนบอกนี้่คำว่าดีเย็นคนบอกเขาไป ใส่เบ็ดใส่เบ็ดไปข้ามไปอ้อยู่ในห้วยในกลุ่มนั้นมันกัดกลัวควยตายกันมาหลายตัวคนก็กลัวไมกล้าเข้าไปในห้วยในดอนนั้นเมื่อดอนมันน้อยงูก็ดุเสือก็ดุถ้าบ่าหน่ยเสือดุงูดุ ก, กัดควยคนตายมันมีห้วยน้า เราเวลาควยลงไปกินน้ำงูก็กอดตายมันหวงอามีเกยมคนหนึ่งเข้าไปใส่เบ็ดตอนเย็นก็ไม่รู้ว่ามีงูอยู่ที่นั่นก็ใส่ไปปักเบ็ดไปปักเบ็ดไปงูก็อยู่ในกอไัยเห็นคนเข้าไปมันก็ลอยลงมาแต่มันอยูอ่ในคนลับฟัง คนใส่เบ็ก็อยู่ฝั่งหนังงูก็อยู่ฝั่งหน่งแล้วเขาเดินใส่ไปตรงไหนงูก็เลื่อยไปอันีเขายืนอยู่มันก็เลื่อยไปหาเขาเขาก็ว่าเอาให้เห็นอยู่ล่วเป็นงูเขาก็บอกว่าอย่ามามึงรู้จะกูเป็นคนหรือเขามีมีดในมือ งูก็เลื่อยมาขนนั่นเนี่ยขนนั่นเนี่ยมีมีดอยู่เนี่ยงูเลื่อยมางูจงรางนี่เวลามันจะกัดอะไรมันต้องชูคอขึ้นไม่เหมือนงูแมว เ, เซงูกับบาดกัดต่ำๆงูจงรางมันจะกัดทงสูงเวลามันโชวคอขึ้นเขาก็มีดฟันคอมันขาดเนี่ยมึงไปลูยจากกูหลือ คนนั่นเนี่ยหู้จลกจะคนไหวเนี่ย <c oughs> ก็ชออแล้วก็ดึงมันออกมาดึงออกมาตอนเช่ามาขวงไวท้ที่ข้างนอกนอนน่นตอนเช่าไปทำไปเอาเว็ให้คนเห็นก็อ้มไปได้ยงไงงูจงอางอยู่นั่นหละมันดุนะเขาไปเห็นนะ มันดูอะไรค่าแล้วฆ่าตั้งแต่เมื่อเย็นในวันน่ยคนก็ไปดูงูยองอางใหญ่เขาก็เล่าเรือกันอ่าเพราะไม่เห็นมันจึงได้ทําลายมันมาเราไมเห็นความหลงความหลงกดขึ้นลู่มันแล้วไดาให้ความหลงมากัดเราเหลให้ความทุกข์า ม, มากัดเราอยาให้ความรักความอยากมากัดเราความหลงเป็นความหลงความทุกข์เป็นความทุกข์ คมโกรธเป็นความโกรธคมลักเป็นความลักให้เห็นมันน่ะเนี่ยถ้าไม่เห็นน่ะมันก็ไม่ไม่ใช่ของจริงไปนั่งกบอยู่หลับหูหลับตาโมลิกรมอยู่ไม่ใช่กรรมฐ า, านนี่เป็นการกระทํามีสติเป็นเจ้าเรือนเนี่ยดูลบๆอย่างเนี้ยมันต้องแสดงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาทั้งกายทั้งใจ ตางตทางหูจมูกดิน้นมันจะมีรสเพาะเราเคยให้มันใช่เป็นดิสละตามันใช่เราหูไม่ใช่เราจมูกดิ้นกายใจมันใช่เรารูปรสกลิ่นเสียงไม่ใช่เราเป็นไปตามอาการต่างๆ ท, ท, ที่เราสมมติบัญญัติกับสิ่งต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์ ตอนนี้เรารู้เนี่ยตัวสภาวะที่รู้เนี่ยมันไม่เป็นอะไรนี่มันเป็นสุขก็เห็นมันสุขมันเป็นทุกข์ก็เห็นมันทุกข์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเราเห็นมันเนี่ยม่มากมากสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเป็นอาการเป็นธรรมชาติเป็นสมมุติเป็นบัญญัติตอนได้ พระอง์พวกเราจึงพูดเตีดปลว่ากิเลสพันห้าตัหารอยแปดจะให้มันลอยอยู่ทําไมใจะมีพันห้าจริงๆเหรอมันจะมีร้อยแปดจริงๆเหอรหอมาอะไรจะมาก็มาบางทีเกิดอะไรขึ้นมาจากใจเกิดความกลัวขึ้นมาปองแตงเกิดกิเลสขึ้นมาปองแตงเกิดยึดมั่นถือมั่นจกกักยะทิฏฐิขึ้นมากับไป หรือเอาจริงเอาจังต้องเดืสงสัยทำไหมไม่ต้องไปเสียวเวลาทําไม่รู้เข้าไปเลยรู้จึกตัวเข้าไปเลยง่ายๆดีถ้าทําไมโยมันมันเสียวเวลามันให้โอกาสถ้าทําไม่จริงต่างๆได้โอกาส ไม่ต้องทําไมลูกเข้าไปเปลี่ยนคําว่าทําไมว่าไม่เป็นไรตัดทําไมออกนักปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ภาษาไทยฉบับนี้ทําไมทําไมไม่มีหรอกนี่จะว่าอืมอืเข้าไปเข้าใจเข้าใจมีค่าเท่ากันโศกก็อืมทุกข์กอืมเข้าไปเลยไม่ให้ค่ามันมีสติคําว่าสติมันอืมอะไรบางอื้อบางอ้อเนี่ย มันถึงจุดหมายปลายทางเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาในกรรมฐานมีวิปัสสนาขึ้นมาเห็นตามความเป็นจริงไงเนี่ยให้มันเกิดขึ้นเลยมันจะเกิดก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดูตรงนั้นมันไปไม่รอดความหลงไปไม่รอดถ้าถ้รู้สักตัวแล้ว ความทุกข์ก็ไปไม่รอดความสุข ก, ก็ไปไม่รอดความกโกรธลบหลงจจตตัะหานาคะไปไม่รอดไปไม่รอดเพราะมันไม่ใช่ของจริงความหลงไม่จริงความรู้สึกตัวมันจริงกว่าอย่างเนี้ยตําลาเล่มใหญ่เนี่ยกายใจของเราเนี่ยก็ยามเริ่มต้นให้ได้ตั้งไว้อย่างนี้ อะไรจะเกิดขึ้นก็อย่าหลงทิศหลงทางปฏิบัติอยู่มันจะเกิดความหลงจากตัวเรามันจะเกิดความหลงจากคนอื่นกคยใช้ชีวิตแบบนี้มากสมัยปฏิบัติต้นๆเราเป็นโยมเราเป็นคนหนุม่มพระก็ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตอนเย็นมาพระมาบอกเรา ไปขึ้นมะขามป้อมเราก็ไม่อยากไปเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะอยู่เขาก็มาชวนเราไปแล้วก็ไม่อยากไปเลยละ่ะแต่ว่าเราเป็นโยมอาศัยพระอยู่อาชิ้นข้าวกน้นบาตรของพระก็ <c oughs> ไป เราขึ้นมาขามพ่องพระก็เจ็บกินกันแช่งขันกันอยอกดอกล่อๆกันเราก็เห็นพระวิยาการต่างๆเราจะไม่เป็นเหมือนท่านต่อมา ป, ปฏิบัติใหม่กับพ ร, ระท่านอยู่ก่อนเ ร, เราเราเลือกท่านอาจารย์มาเป็นลูกศิษย์ของท่าน <c oughs> แต่เราก็บทเรียน บางทีก็มาชวนไปหักหน่อไม้เ <c oughs> <c oughs> อเวอิดมันมีหน่อไม้ไม่คายไม่ไล่ตอนเย็นมาพระก็ชวนไปหักหน่อไม้ให้แม่ขีแเกงก็พากันไปหักหน่อไม้แต่แป๊บเดียวก็เลยมาเราก็มามอยากไป ยากปฏิบตัติแม่จะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นเราก็ล้วก็ไม่หลงตัวพระพาให้เราหลงเราก็ไม่หลงเพื่อนพาให้เราหลงเราก็ไม่หลงเนีย่ยมันก็มีหลงลอยแห่งการใช้สติที่มันก่อตัวขึ้น ในทุกกรณีได้จนประทับใจทุกวันนี้ในการใช้ชีวิตเริ่มต้นจากการปฏิบัตินะพุทธญาณยังอยู่ในหัวใจอยู่บดผิดบดถูกจะแยะเลยนะยังมีรอยอยู่ในการเริ่มต้นของปฏิบัติเราเป็นโยมไม่ใช่เป็นพระ มาอยู่ออกจากคุทยานมาวิทยานสองว่าไม่มีร่องรอยหัวใจมีแต่ร่องรอยเหงื่อใครทุกข์ยากลําบากการเริ่มต้นสร้างวัดใหม่ลอยแห่งของเนเกศบัดโมกูก็มีแต่ลอยเหงื่อลอยไข่เจ็บไข้เรือป่วยทำงานหนักสร้างวัดใหม่บัดโมูก รอยแห่งวัชนามในไม่ใช่ชีวิตเท่นั้นลอยแห่งความทุกข์ยากลำบากหาบชายสมวัดไม่นอนเลยกลางคืนถ้าหากลางวันอายคนรถชายมาถึงแค่เท่านาภาคภาคทางรถไฟแล้ว <c oughs> ก็หาบเอาเอาก็ป๋องสีเหลืองเหลืองหังหบมา ได้เป็นวันละรถค้นละรถรถหกล้อนะอาสาจนทะลุสว่างกลางวันไม่ก็หาบอายคนคนเดินไปเดินมาเราก็แหงเหงื่อใครอายจุสกขโตนี่ก็มีจะรอแห่งความทุกข์ยากลำบากเอาหญิงปืนข่างังก็มีไปห้ามเขาไม่ฆ่าสัตว์ตัดต้นไม้ <laughs> อลอยแห่งชีวิตจริงๆมีตานเริ่มต้นเท่านั้นเองที่พุทธยานไปดูรอยไม่เห็นยังคิดถึงอยู่วีนี้ก็ไปไปดูรอยไปดูรอยต้นขาขี้หมูที่เดินจงกงเข้าใจรูปน้ำที่นั่นไปดูไม่เห็นเลยเขาสร้าง วิลยโครสร้างรัฐพัฒ์ขึ้นมามาตัดทิ้งไปเสียดดยรอยแห่งกติอันที่มีฝ้าโรงศพปล่อยตั้งไว้ก็ไม่เห็นกติหลังที่สามก็ไม่เห็นกติหลังพเทียนก็ไม่เห็นเห็นแต่กติจานสมหมายเห็นถังน้ำ เหมือนเดี๋ยวอาจารย์ต้มสร้างอันนี้อันเดียวตั้งอยู่ที่นั่นกับพระพุทธรูปน่นัจะมาเห็นอะไรเลยอันลอยของการปฏิบัติธรรมอะมันต้องเริ่มต้นให้ได้นะอย่าไปหวังมือหน้าวันข้างหน้าที่ใดเลยอยู่นี่ไม่ดีอยู่นั่นดีกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นเราก็อยู่ ร้องคาเอาภาพภาพไปติกมุงเอ า, าพ้าจีวรขาดของพระมาทำเป็นฝาเอาไม่มีอะไรตวลาฉันเข้าก็ภาคไม่ภยัยป่าช้ามันจะอาจจะไม่ดีเท่าที่นี่ด้วยนะอย่าเปรียบเทียบเอาชีวิตของเราลุยไปเลยปฏิบัติธรรมนะ อย่าไปอ้างโน่นนั่งนี่วันโน่นวันนี้อาจารย์โน่นหน่ออาจารย์นี้มาศึกษาเรื่องสติมันอยู่ในใจเราทั้งหมดแล้วความผิดก็อยู่นี่ความถูกก็อยู่นี่ <c oughs> ความทุกข์ความหลงความโกรธเราอยู่นี่ทั้งหมดเราได้ศึกษาเรื่องชีวิตเราจริงๆยิ่งดีใหญ่อันความยากลําบากพี่ให้เราเข้มแข็งไปอาบน้ําก็ไปกลาย เดินไปเป็นกิโลสองกิโลอาวสก็พุทธยังก็ตั้งไม้เป็นโถกันเริ่มต้นหลวงพ่อเทียนเริ่มต้นที่สุดพุทธยานนั่นตั้งไม้เวลาไปอาบน้ําก็ชวนกันไปไปคนเดียวไม่ได้มันกายต้องเดินไปเป็นหมู่สงไวยไม่ชีก็ไป เราเป็นจีตวัดก็ไปิดหางน้ำมาเอ า, าเทียงก็เอากลาบน้มถือเกาะกันมาข้างละสองลูกหิ่วกันมาเอามากินให้ให้ให้ตลอดวันวันหนึ่งคืนหนึ่งล่างหน้าเอามากินล่างบาดน่ดีไหม <laughs> น้ำล่างบาดห้ามเททิง่งเอ ไม่ขีเอากระมังมาลองลอ ง, ลองตาล่างบาดอาจารย์ล่างบาดก็ถูบาดเล่ก็เทลงใส่กระมังเลื่อนไปเลื่อนไปโอ้เราก็เทใส่กระมังได้เป็นกระมังสองกระมังน้ำล่างบาดพระเนนและหลายลูกไอ้ขีก็ยกไปเอาไปล่างถ้วยอีกททนึงเอาล่างถ้วยเลยไม่ทิ้งนะเอาไปเทรถต้นพริกที่ ใกล้ๆโรงครัวอีกทีหนึ่งเองดีไหม <c oughs> ไม่มีกองน้ําเหมือนทุกวันนี่นะอ่ะอาต้องไปตักมาอ่าน่ากินแปลงเปลนเวลาไปฉันข้าวกับเหิ้ยกาของตนเองไปฉันไม่มีขวดน้ําคนเสามาให้เหมือนที่นี้หิ้ยหูกาไปฉันเองประหยัดที่สุดใช้น้ําใช้จีบวน อนนะมันโอ้ยขอบคุณความยากลาบากทำให้เราเข้มแข็งอย่าไปกลัวความยากลาบากเลยดูดๆชักหน่อยจะเข้มแข็งได้เจ่ ก, กลา้าเพราะความอ่อนแอนะบางทีเราเป็นหนุ่มนะนี่สาวๆมาหักต่อไม้ชวนเราไปหักต่อไม้ก็ได้ อ้อ้ยอยักน้องใม่ชอยเนะคนมึงเลยลเราก็ไม่ไปนะเราก็ไม่ไปอมนันไไปนล้วก็ให้ถวนกระแสสักหน่อยอย่าอ่อนแอมาคิดเลยจะไปเลยถ้าไปตามกวาพิดป่านนี้ไม่ได้ไม่อย่างไีนแล้วคิดห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงพี่ห่วงนอ้องห่วงลูกห่วงเมีย ถ้าคิดนะโอ้ยใครไม่เคยมีลูกมีเมียเนี่ยอาจจะไม่คิดเหมือนคนมีลูกมีเมียนอะอ <c oughs> <c oughs> ครมีลูกก็เท้ามีสามีภัญญาคิดเหมือนกันแต่ว่านั่นหละมันทำให้เราเข้มแข็งไม่ใช่เราเราทดทิ้งเรารับผิดชอบที่สุดละ เราจึงสู้นะไม่ใช่ง่ายนะภาษาอะไรที่เราอยู่กันเนี่ยบางทีเราก็คิดให้ท่านแล้วให้ท่านอยู่ตรงนี้ให้ท่านกินตรงนี้พอให้เกิดความสะดวกง่ายง่ายอย่าไปคิดอะไรเกงใจอะไรพวกเราคิดท้ายถ้ามีคนมานั่งอยู่นี่เราพอใจพอใจ ปีนี้ก็มีพระหลายรูปนี่พระชุดดังดังคนดังออกมาบวชมีแต่จบปริญญาท้งาทําการมาพระดังออกมาบวชเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นี่คล้ายๆกับว่าเกิดจากโูชาคนเดียวคัวได้มีนอกด้านกำไร ม, มากงานยกภาษารีบทพระมมกคัลาอุบาลีอนุทธกคนดังออกบวช อายุ ต, ต้นต้นดังมากมุคลาสาลีบทเป็นหนุ่มเจ้าสมรมีเงินมีทองเป็นลูกเศรษฐีแถวหนารันธาตุวารีเป็นลูกช่างตัดผม ด้วยกวูเขาก็นรูทเะนี่เป็นเป็นเจ้าพ้ะเป็นกษัตริย์น่น อ, นอะแล้วออกบวก็ทำไมนัดกันแล้วก็เขาก็ถือกันเป็นเพื่อนกันอะไรผมก็จำไม่ได้อา น, นวนหรือใครบ้างฮะให้รู้นะ <laughs> ขอปะ <laughs> อั น, นี่สุดก่อนบวชเนี่ย นั่นการนะ่ะใครจะบวดก่อนนั่งขวาเมือ่อก่อนเดี๋ยวนั่งครั้งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าให้ใครปวดก่อนใครนั่งทาั้งนี้เรียกว่ า, อาเอาสโสมังตองอะไรสารบทบ่ปวมุคลาณนะอุบาลีอนุธะให้อุบาลีเป็นผู้บวดก่อนเพราะอุบาลีเป็นลูกช่างตัด ตัดผมเราลูกช่างกันบกถ้าเราบวชก่อนแล้วจะถือทิฏฐิมรณนะให้อุบาเหรบวชก่อนครูเจ้าก็จงเป็นพิสูจน์เงาเถิดทำไม่ไหนเราตัดไปแล้วจงเป็นผู้พึดทำไปตามทําไม่ไหนให้เป็นที่เชิญทุกเถิดบวอกไปเราล้างเคารพอุวาลีรคแม้เป็นลูกช่างกันบกเคารพกัน ไม่ถือว่าอาจารย์นั่นคนนั่นเป็นาการาชการลามาบวชคนนี่มีนายพลนายพันไม่มีถือว่าไก่บวชผนถือข้ารบผนเอาโวโซผันเตจนอย่างอาโน์เนี่ยอุบาลีสารีบุตรพงศลาานะนขวขุย่ยที่สุดเรื่องการศึกษาจนบ้่นปลือยปลายมา ตั้งหาวิลยนารันธานารันธาเป็นบ้านสา ร, รีบุตรพงศลานะอาอูข้าวอูน้ำเหมือนก็นไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ตั้งหาวิเลยนารันธาขึ้นมาในแถบนั้นเจ้าไล่เา้านาไม่ต้องเสียภาษีก่อนมาช่วยวัดรัฐบาลไม่เจ็บภาษีก่อนเลย ให้เป็นผู้ช่วยวัดอุปถากวัดมหาวิลลยดนานันธาวัดใหญ่ที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่ชาติแล้วก็มียุคทนตุนทนน่นะพวกเราเนี่ยมาช่วยกันโดยสอาจจะไม่อยู่ในเพศนี้ก็ได้ไปช่วยกันเป็นคนดีตั้งผู้มีครอบครัวและไม่มีครอบครัวพวกเราก็จะจะใช้ชีวิตแบบนี้ นีปฏิบัติธรรมกัะนเะนี่ยมันเป็นมากเป็นผลมีผลใหญ่มีอนในสงใหญ่จะประมาณถ้าทำเร็วความประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้แน่เลือดเนื้อเอ็นกระดูกจะพูพังเพราะว่าทำให้แน่วแน่บ้างมีใครที่ไหนนอกจากพระศาลาของเราเนะ่ขอตั่งขั้งสุดท้ายจะไม่ลุกเลย แม่เลือดเมื่อเงอเอ็นกระดูกจะพูพพังปรปก็ตามจะไม่รู้จะไม่ลูกจากที่นี่ที่ไหนอ่ะไอ้ชีน้อยไม่ลูกจากที่ไหนฮะระสิธัตถะออกบวชไม่ลูกจากต้นสีมหาโพเลยขอนั่งข้าจุดทา้จาจะเป็นจะตายช่างมันเด็ดเดี่ยวเลยเฉยเลยหัวใจของสิทัตถะ เราจะไม่มีสักนิดหน่อยเลยเรื่องแนวเราไม่ที้เที่ยงไม่ได้จนในที่สุด่ชยชีวิตของนักบวชไปจนพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาจนอายุแปดสิบปีเราจะขอนอนค้าสุดท้ายจะไม่ลุกอีกแล้วที่ไหนอ่ะอนอนสักนอนคาสุดท้ายที่ใด้ะ <c oughs> จ่าไม่ลุกอีกแล้วบอกอานอนปูผ้าสังขาติระหว่างนางรังทั้งคู่พอเาจ้าขอนอนครั้งสุดท้ายไม่ลุกอีกแล้วหมายถึงปองข้าชนมายุสังขารนอนลงที่นั่นครั้งสุดท้ายนั่นเรียกว่าปณิธานที่นั่นเลย ตัดสู้ท่นั่นปรลีผ่านทท่นั่นมีนั่งครั้งสุดท้ายนอนครั้งสุดท้ายต้องให้เข้มแข็งขนาดนั้นนะชีวิตของเราเนี่ยอย่าอ่อนแออย่าเอเพศเอาวัยอย่าเอาดมโอาสาวมาอวดมาอ้างแม่อายุแปดสิบแล้วยังติดเตี่ยวจะนอนครั้งสุดท้ายอายุสามสิบห ีสามหกพันษาจะนั่งข้างสุดท้ายอันเดียวไปส5ป้าปีหัวใจของพระศาสดาของเราน่าจะเป็นเรื่งอยงยหญ่ของพวกเราเนาะเราก็คนเหมือนกันกับพระศาสดาเราตถาคตก็เหมือนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็เหมือนเราตถาคตนี้มั่นใจจริงๆนะ มันก็แค่นี่เองแค่ความหลงความหลงก็แค่ความรูปเรียบเทียบไหลกันได้ทวิเจ้าจึงกระตือลือล้นสอนคนมันต้องทำได้มันต้องทำได้มันต้องทำได้นอด้องตาไปนอนเห้องไอซียูเขาใส่ไอซียูเขาใ น, ในปา่า มันก็ว่ามีชีวิตได้มันก็นานหลายวันหายใจทัง้อไอซีอยู่หมอมาเยืนอยู่เขามาบอกว่าลุงตาเออก็จะทอดอ่ท่อหายใจออกเราก็คุยไม่ได้เพราะท่อเต็มปากอ่เขาก็โชว์เวลา ผมถอดออกผมเจาวันนี้มากกหนะ้าให้สวดลมหายใจมีหมออีกสองสามคนเยืนอยู่ด้วยกันมันถอดไม่ได้ยังถอดไม่ได้หมออีกคนหนึง่งต้องถอดได้เออต้องถอดได้หมอออกสองสามคนถอดไม่ได้ปวดก็ยังไม่ดียังถอดไม่ได้ อ๋อคนนั้นถอดได้ถ้าไมถอดมันเป็นผลข้างเคียงจตหมูก็มีแต่รอยสายยางเต็มเลยหยนขากระดุมกระเด้ไงน่าสงสารนะโอยยอดเยี่ยมอ่ะหมอคนที่ว่าถอดได้ก็ถอดได้แน่นอนต้องได้ตั้งก็่ตรวจพอดราจ บ, บอก ก็ถอดทออกหลวพ่อก็หายใจไม่เข้าแนละ้วหมก็สอดเข้าไปผมเมื่อมันถอดไปได้หมอคนนี้ว่ามันต้องถอดได้ <c oughs> อไดอเอาได้อะไปมาถอดออกต่อเราก็เอามากกผมก็สลดลงสลลงเขาคงหายใจถ้าหายใจแรงไม่ได้หรอก แล้ก็แหลมหลมเงเราจะอยู่หมอก็ยืนเงียบอยู่ทั้งสามสี่คนคนนั้นก็หมอคนเอาพอเครื่งองมาวัดปอดมาวัดปอดฟังปอดก็ปกติแล้วปอดทั้งนี้ก็ปกติเลเ่ินตาขึ้นยาบานเย็นอยู่ข้างนอก สามสี่คนให้หลวงพรอเดอร้อหายใจเข้าหายใจหมอก็ยืนอยู่โดยเงียบมิดหมองรุนตาก็เน้นไพ่บอลนก <c oughs> ล้วก็เห็นเราหายใจได้ล้วก็ต้องมือขึ้นเราก็หายใจจยากจะร้องเพลงว่าหายใจเข้า จเจอร่องเพยงหน่หายใจไ ม, ไม่เคยหายใจมาก็ไม่หายใจได้เองจากที่บอกว่าตัสนุกแล้วอหมอก็บอกว่าฟังบอกฟังก็นั่งฟังไม่เไม่มีปัญหาปอดภัยการปกติแล้วแล้วไม่เป็นอะไรแล้วเอาน้ามาก็มา โนก็ล้มหายใจไม่เคยหายใจได้เองเพราะว่าหายใจได้เองแล้วหัวก็เอาหนีไปเขากาลังสนุกสนานกับเพิ่งหายใจดูเออเออกเด็กเสียดายเอาออกจากเราไปเอาไว้นานเมื่อไจะมี็นผลข้างเคียงเอาอ่อนน้อมาห้อยหายใจกับคนภายนอกทาไม่มีเครื่องกลุ่มหายใจไปหายใจหายใจได้เฉียงแรงขึ้นเฉียงแรงขึ้น อีกหลายวันมาเขาจะมาถอดโท้ออกจากสมองกั้นใจไว้นะล้องตานะเขาจะถอดค่อยถอดออกไปเรื่อยๆหรอปลดออกไปเรื่อยๆโบนี้ก็จะค่อยปลดออกไปปลดถอดจมกูกถอดออกออกไปว่าอิจฉาได้ว่ากระดูกกระเดกได้ล <laughs> เลยเตียงอยู่ข้างๆนอนยาวออกไนปะ เออผ้าเขียวคมออกไปแจ้งว่าตายแล้วมองไปตงนั้นก็ตายแล้วมองไปตรง น, นี้นก็ตายแล้วเมื่อเราจะนอนผ้าเขียวมันเขานอนรอไม่ไดนอนเลยนั่งรถออกจากห้องอุทยาอ่างออางนนะมันก็หมดเวลาการพระผ้ากัน